นหนึ่งปุสะเทระคาถาภาษิตของพระปุสะเทระพระสังคีติกาจาร์ได้กล่าวภาษิตเบื้องต้นไว้ว่าฤาษีปันทรระโคดได้พบเห็นภิกษุมากรูปผู้หน้าเลื่อมใสอบรมตนสำรวมดีแล้วได้สอบถามพระปุสะเทระว่าในการภายหน้าภิกษุทั้งหลายในพระศาสนานี้ จะมีความพอใจอย่างไรมีความประสงค์อย่างไรมีอากับกิริยาอย่างไรเข้าไปแจาเรียนถามท่านแล้วนิมนต์บอกความข้อนั้นด้วยเถิดพระปุสาเถระได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าท่านปันทรสะฤรศีเชิญท่านฟังคำของอาตมาขอเชิญตั้งใจจดจําให้ดีอาตมาจะบอกข้อความที่ท่านถามถึงอนาคตแก่ท่านในการภายหน้า ภิกษุทั้งหลายส่วนมากจะเป็นผู้มกกักโกรธผูกโกรธลบหลู่คุณท่านหัวดือ้อโอ้วดริษยาและมีวาทะขัดแย้งกันมีความสำคัญในสัตยธรรมที่ยังไม่รู้ไม่เห็นว่ารู้ว่าเห็นมีความคิดในธรรมที่ลึกซึ้งว่าตื่นเป็นคนเบาไม่หนักแน่นในธรรมไม่เคารพกันและกันในการภายหน้าโทษเป็นอันมากจะเกิดขึ้นในสัตว์โลก ภิกษุทั้งหลายผู้ไรความคิดจะทำธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนี้ให้มัวมองทั้งจะเสื่อมจากคุณธรรมกล้าผู้ในถ้ำกลางสงมีพวกมากปากจัดไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นฝ่ายพวกที่มีคุณธรรมพูดในถ้ากลางสงตามความเป็นจริงละอายใจไม่ต้องการผลประโยชน์จากมีพวกน้อย ในการภายหน้าภิกษุทั้งหลายจะมีปัญญาสามพากันยินดีเงินทองไร่นาสวนแพะแกะและคนใช้ชายหญิงจะเป็นคนอันธพาลชอบมู่แต่ตำหนิติเตียนไม่ตั้งมั่นในศีลถือตัวจัดโหดร้ายเที่ยวไปชอบก่อการทะเลาะวิวาททั้งจะมีใจฟุ้งซ่านนุ่งห่มแต่จีวรสีเขียวโกหกหลอกลวงกระด้าง เที่ยวชูเขาคือมานะเที่ยวทําตัวดังพระอริยะจะใช้น้ํามันแต่งผมให้งดงามเป็นคนเลาะแหล่ลเหลวไหลใช้ยาหยอดแต่งตานุ่งห่มจีวรสีงาช้างเที่ยวไปตามถนนหนทางจะรังเกียจผ้ากาสาวะซึ่งยอมดีแล้วที่พระอริยะทั้งหลายไม่รังเกียจเป็นธงชัยของพระอรหัน์ชอบใช้แต่ผ้าขาวจะมุ่งแต่ลาบ เกล้ามีความเพียรย่อหย่อนรังเกียจเสนาสนะปา่าชอบอยู่แต่เสนาสนะใกล้บ้านจะไม่สํารวมเที่ยวประพฤติตามพวกภิกษุที่ยินดีในมิจฉาชีพได้ลาบอยู่เสมอเสมอในการภายหน้าภิกษุทั้งหลายจะไม่บูชายกย่องเหล่าภิกษุผู้ไม่มีลาบทั้งจะไม่คบค้าสมาคมกับเหล่าภิกษุผู้รักษาศีลดีซึ่งเป็นนักประหลาด จะโฮมจีวรนสีแดงที่คนป่าชอบยอมใช้พากันติเตียนผ้ากาสาวะซึ่งเป็นธงชัยของตนบางพวกก็จะหฮมจีวรสีขาวซึ่งเป็นธงชัยของพวกเดรธีในการภายหน้าภิกษุเหล่านั้นจะไม่มีความเคารพในผ้ากาสาวะทั้งจะไม่พิจารณาใช้ผ้ากาสาวะการไม่คิดพิจารณาให้ดีได้เป็นความเลวร้ายอย่างใหญ่หลวงของพญาช้าง ที่ถูกลูกสรเสียบแทงถูกทุกขเวทนาครอบเมือมทุรนทุรายอยู่เพราะครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาช้างฉัดทันได้เห็นภากาสาวะซึ่งโสนุตรพราณคลุมร่างไว้ที่ยอมดีแล้วเป็นธงชัยของพระอรหันต์ได้กล่าวภาษิต ท, ที่ประกอบด้วยประโยชน์ในขณะนั้นแหละว่าผู้ใดยังมีกิเลสดูดน้าฝาดปราศจากธรรมะและสัจจะ จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นไม่ควรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะเลยส่วนผู้ใดพึงคลายกิเลสดุดน้ำฝาดตั้งมั่นดีแล้วในศีลประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแหละควรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะได้ผู้ใดมีศีลวิบัติมีปัญญาสามไม่สำรวมอินทรีย์ชอบทำตามความพอใจมีจิตฟุ้งซ่านทั้งไม่บริสุทธ ผู้นั้นไม่ควรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะเลยส่วนผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีลปราศจากราคะมีจิตตั้งมั่นดีมีความดำริในใจใสสะอาดผู้นั้นแหละควรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะได้ผู้ที่ไม่มีศีลฟุ้งซ่านมีมาณจัดเป็นคนพาลควรที่จะนุ่งห่มผ้าขาวเท่านั้นผ้ากาสาวะจะช่วยอะไรได้ ในการภายหน้าทั้งพวกภิกษุและภิกษุณีผู้มีใจชั่วไม่เอื้อเฟื้อจะข่มขี่ฝ่ายที่คงที่มีจิตเมตตาพวกที่เป็นคนโง่เขามีปัญญาสามไม่สำรวมอินทรีย์ชอบทำตามความพอใจถึงพระเทระทั้งหลายจะสอนในครองจีวอนก็จะไม่เชื่อฟังพวกเธอซึ่งเป็นคนโง่เขา่าพระอุปชาอาจารย์สอนอย่างนั้นก็จะไม่เคารพกันและกัน ไม่อื้อเฟือพระอุปชาอาจารย์เหมือนม้าพยศไม่ยอมให้สารถีฝึกครั้นการภายหลังตติยะสังขยานาผ่านไปแล้วทั้งผู้ภิกษุและภิกษุณีในการภายหน้าจะปฏิบัติกันอย่างนี้ครั้นพระปุษสะเทระแสดงภัยอย่างใหญ่หลวงที่ยังมาไม่ถึงนั้นจะมาถึงในการภายหน้าอย่างนั้นเมื่อจะให้อวาดแก่ภิกษุทั้งหลายที่ประชุมกันณนะที่นั้นอีก จึงได้กล่าวสารภาษิตเหล่านี้ว่าไพ่ ย, ยังใหญ่หลวงซึ่งยังมาไม่ถึงนี้จะมาถึงข้างหน้าขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่าง่ายผู้จาอ่อนหวานมีความเคารพกันและกันมีจิตเมตตากรุณาสำรวมในศีลปรารบความเพียนมีใจเด็ดเดี่ยวบากบั่นมั่นคงเป็นประจำเถิดขอชนทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยเป็นสิ่งที่น่ากลัว และเห็นความไม่ประมาทโดยเป็นสิ่งที่เกษมแล้วบำเพ็ญอัตถังที่ฆมักที่จะบรรลุอมตะบทได้ 2. สารีบุตรเถระคาถาภาษิตของพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรเถระเมื่อจะพยากรณ์พระอรหันต์แก่ภิกษุทั้งหลายจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าผู้ใดมีสติประพฤติเหมือนผู้สำรวมกายเหมือนสัตบุรุษไม่ประมาท เหมือนผู้สำรวมความคิดยินดีในการเจริญกรรมฐานไว้ภายในมีจิตตั้งมั่นดีอยู่ผู้เดียวสันโดษแ้วปราททั้งหลายเรียผู้นั้นว่าเป็นภิกษุภิกษุเมื่อฉันอาหารสดก็ตามแห้งก็ตามไม่พึงฉันให้อิ่มเกินไปไม่พึงฉันให้น้อยเกินไปพึงฉันแต่พอประมาณพึงมีสติอยู่พึงเลิกฉันก่อนอิ่มสี่ห้าคำแล้วดื่มน้ำ เท่านี้ก็เพียงพอเพื่ออยู่ภาสุขของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดียวมุ่งนิพพานอันหนึ่งการนุ่งห่มจีวรที่สมควรซึ่งเป็นประโยชน์นี้ก็เพียงพอเพื่ออยู่ภาสุขของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดียวมุ่งนิพพานเมื่อภิกษุนั่งขัดสมาธิในกุฏิใดฝนตกไม่เปียกเขาทั้งสองกุฏิเท่านี้ก็เพียงพอเพื่ออยู่ภาสุขของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดียวมุ่งนิพพาน ภิกษุใดพิจารณาเห็นสุขหรือความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นเหมือนลูกศรคอยทิมแทงได้ภิกษุนั้นไม่ได้มีความยึดมั่นในอทุกขคมสุข์เวทนาทั้งสองนั้นว่าเป็นของเนื่องในตนเธอจะพึงถูกกิเลสอะไรผูกมัดไว้ในโลกได้อย่างไรภิกษุผู้มีความปรารถนาลามกเกียดคร้านมีความเพียรย่อหย่อนมีการเล่าเรียนน้อยไม่เอื้อเฟือ อย่าได้มีในสำนักเราในการไหนๆเลยเพราะคนเช่นนั้นในสัตว์โลกจะพึงสอนแบบไหนอย่างไรได้ส่วนภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรมีปัญญาตั้งมั่นดีในศีลประกอบความสงบใจเนืองๆอยู่ขอจงมาสถิตยอยู่บนกระหม่อมของเราเถิดภิกษุใดประกอบธรรมเป็นเหตุให้เนื่อนช้าอยู่เนืองๆมีใจยินดีในธรรมเป็นเหตุให้เนื่องช้าภิกษุนั้น ชื่อว่าพระจากนิพพานซึ่งเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมส่วนภิกษุใดละทำเป็นเหตุให้เนื่นช้าได้แล้วยินดีแล้วในทางแห่งธรรมซึ่งเป็นเหตุไม่ให้เนื่นช้าภิกษุนั้นบรรลุนิพพานซึ่งเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่สถานที่ใดเคยจะเป็นบ้านก็ตามป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตาม สถานที่นั้นเป็นโรมนิยสถานท่านผู้ปราศจากราคะทั้งหลายจะยินดีป่าทั้งหลายอันน่ารื่นรมที่ชนผู้สแสวงหาการไม่ยินดีเพราะท่านเหล่านั้นไม่สแสวงหากามบุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญามักชี้โทษมักพูดปรามไว้เหมือนผู้ชี้บอกขุมทรั์และพึงครบผู้ที่เป็นบัณฑิตเช่นนั้น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 การตั้งใจฟังของเรานั้นไม่ไร้ประโยชน์จึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วหาอสะวะมิได้เราไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อปุเพนิวาสยานทิพจักขุยานเจโตปริยายานอิทธิวิทยานจุตูปปาตยานและทิปโสตยานยักกล่าวภาษิทเหล่านี้ว่าพระเถระโลนชื่ออุปติสะนั่นแหละยอดเยี่ยมด้วยปัญญา รองผ้าสังฆาติอาศัยโคนไม้นั่นเองนั่งเข้าฌานอยู่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสามาบัติอันไม่มีวิตกเป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้นิ่งอย่างประเสริฐโดยแท้จริงภูเขาสิลาล้วนตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเพราะสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาพระสารีบุตรเทระ ฟังคำของสัมเณรนั้นแล้วจึงได้กล่าวภาสิทธว่าคนผู้ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนใยใจสแสวงหาความสะอาดอยู่เป็นนิดความชั่วเพียงเท่าปลายขนทรายย่อมปรากฏดังเท่าก้อนเมฆพระสารีบุตรเทระเมื่อจะแสดงว่าตนมีจิตเสมอกันทั้งตายทั้งเป็นอยู่จึงกล่าวาษิทธเหล่านี้ว่าเราไม่อยากตายไม่อยากเป็นอยู่ แต่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่เฉพาะหน้าจากละกายนี้เราไม่อยากตายไม่อยากเป็นอยู่แต่เราคอยเวลาอันควรเหมือนลูกจ้างทําการงานคอยค่าจ้างและเมื่อจะแสดงทําแก่ผู้อื่นจึงได้กล่าวไว้อีกสองภาษิตว่าความตายนี้มีแน่นอนในสองคราวคือคราวแก่และคราวหนุ่มจะไม่ตายไม่มีเพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าพินิาชเลยขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเมืองชายแดนได้รับการคุ้มครองทั้งภายในและภายนอกฉันใดท่านทั้งหลายโปรดคุ้มครองตนให้ได้ฉันนั้นขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะเราชนที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปย่อมแออัดกันในนรกเศร้าโศกอยู่พระสารีบุตรเทระ พบท่านพระมหาโกธิตะเมื่อจะประกาศกิตติคุณของท่านจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าภิกษุผู้สงบงดเว้นจากการทำชั่วพู้ด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านย่อมกำจัดบาปทำทั้งหลายได้เหมือนกับลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นภิกษุผู้สงบระงับงดเว้นจากการทำความชั่วมักพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านย่อมกำจัดบาปทำได้แล้ว เหมือนกับลมพัดใบไม้ให้ลอยไปภิกษุผู้สงบระ ง, งับไม่มีความคับแค้นมีใจผ่องใสไม่ขุนมัวมีศีลอันงามเป็นปราดพึงทำที่สุดทุกได้พระสารีบุตรเถระปรารภพวกภิกษุวัชีบุตรที่เชื่อพระเทวทัตจึงได้กล่าวภาษิต ท, ทั้งหลายไว้ว่าบุคคลไม่พึงไว้ใจในปุตชนบางพวกทั้งที่เป็นครหัดและบรรพชิต แม้เบื้องต้นเขาจะเป็นคนดีภายหลังจะเป็นคนไม่ดีหรือเบื้องต้นเป็นคนไม่ดีภายหลังจะกลับเป็นคนดีก็ตามนิวรณธรรมหเหล่านี้คือหนึ่งามชันทะสองพยาบาทสาถีนมิทะสอุทจักกุกกุจจหวิจิกิจชาเป็นธรรมเครื่องเศร้ามองใจของพิสุ สมาธิของภิกษุใดผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่หวั่นไหวด้วยเหตุสองประการคือ 1. ด้วยมีผู้ศักการะสองด้วยไม่มีผู้ศักการะภิกษุผู้เข้าฌานมีความเพียรต่อเนื่องพิจารณาเห็นด้วยปัญญาที่สุขุมยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปทานนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าสัตบุรุษมหาสมุทรหนึ่งแผ่นดินหนึ่ง ภูเขาหนึ่งลมหนึ่งไม่ควรที่จะเปรียบเทียบกับความหลุดพ้นอย่างประเสริฐของพระศาสดาพระเทระผู้ประพฤติตามพระธรรมจักที่พระศาสดาทรงให้เป็นไปมีปัญญามากมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดินน้ำและไฟไม่ยินดีย่อมไม่ยินร้ายภิกษุถึงที่สุดสาวกปัญญาบา ร, รมีมีความรู้มากเป็นมหามุนีไม่โง่ขเขลา ไม่ใช่เหมือนผู้โง่เขลาเป็นผู้เย็นอยู่เป็นนิดเราปรนิบัติพระศาสดาได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปรงภาระที่หนักได้ถอนตัญหาที่นําไปสู่พบได้ขาดแล้วท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราเราหลุดพ้นจากกิเลสและพบได้ทั้งหมดแล้วจะปรินิพพานละ 3. อามนนทเทระคาถาภาษิตของพระอานนทเทระพระอานนทเทระเมื่อสังขยานาพระธรรมได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าบัณฑิตไม่พึงทําความเป็นสหายกับคนพูดส่อเสียดหนึ่งคนมักโกรธหนึ่งคนตรนีหนึ่งคนชอบใจที่จะให้ผู้อื่นพินาดหนึ่งเพราะการสมาคมกับคนชั่วเป็นความเลวหนึ่งบัณฑิต พึงทำความเป็นสหายกับคนที่มีศรัทธาหนึ่งมีศีลเป็นที่รักหนึ่งมีปัญญาหนึ่งเป็นพระหูสูตรหนึ่งเพราะการสมาคมกับคนดีทั้งหลายเป็นความเจริญขอเชิญดูอัตภาพที่ผ้าและอาพรเป็นต้นทำให้วิจิตมีกายเป็นแผลมีกระดูกสามร้อยท่อนเป็นโครงร่างกระสับกระส่ายที่พวกคนเขลาดมริหวังกันส่วนมากซึ่งไม่มีความยั่งยืนตั้งมั่น ขอเชิญดูอัตภาพที่สตรีใช้แก้วมณนีและต่างหูแต่งให้วิจิตซึ่งมีหนังหุ้มกระโูกไว้ภายในงามพร้อมเสื้อผ้าเท้าทั้งสองย้อมด้วยครั่งสดหน้าทาด้วยจุนก็สามารถทำคนเคลาให้ลุ่มหลงแต่ไม่สามารถทำคนที่สแสวงหาฝั่งคืนนิพานให้ลุ่มหลงได้ผมที่ตบแต่งให้เป็นลอนดังกระดานหมากลุก ตาทั้งสองที่ยอดด้วยยาหยอดตาก็สามารถทำคนเคลาให้ลุ่มหลงแต่ไม่สามารถทำคนที่แสวงหาฝั่งคืนนิพพานให้ลุ่มหลงได้กายที่มีสภาพเปื่อยเน่าเป็นธรรมดาซึ่งตกแต่งแล้วเหมือนกล่องยาหยอดตาใหม่ๆที่งดงามก็สามารถทำคนเคลาให้ลุ่มหลงแต่ไม่สามารถทำคนแสวงหาฝั่งคืนนิพพานให้ลุ่มหลงได้พระอนุนเทระผู้โคตมะโคดเป็นพระหูสูตร กล่าวทำได้อย่างวิจิตเป็นพุทธอุปถาปลงภาระได้แล้วพรากจากกิเลส ท, ที่ประกอบสัตว์ไว้พอเอนกายลงนอนสิ้นอาสวะพรากจากกิเลส ท, ที่ประกอบสัตว์ไว้ล่วงกิเลสเป็นเครื่องท้องดับกิเลสได้สนิทถึงฝั่งแห่งความเกิดและความตายยังทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่ธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเผ่าพันแห่งดวงอาทิตย์ ตั้งอยู่เฉพาะในบุรุษพิเศษใดบุรุษพิเศษนั้นคือพระอ น, นุนโคตมะโคตยังดำรงอยู่ในหนทางเป็นที่ดำเนินไปสู่นิพพานเราได้เรียนมาจากพระพุทธเจ้า 82,000 สองพันพระธรรมคันจากภิกษุสองพันพระธรรมคันจึงรวมธรรมที่เราช่ำชองคล่องปากได้ 84,000 พันพระธรรมคัน คนที่มีการศึกษาน้อยนี้ย่อมแก่ไปเปล่าเหมือนโคล ร, ริพัตเขาเจริญแต่เนื้อหนังส่วนปัญญาหาเจริญไม่ผู้ที่มีการศึกษามากกลับดูหมิ่นผู้ที่มีการศึกษาน้อยเพราะการศึกษาเป็นเหตุย่อมปรากฏแก่เราเหมือนคนตาบอดถือดวงประทีปไปบุคคลพึงเข้าไปนั่งใกล้ท่านผู้เป็นพระโหสูตรทั้งไม่ควรทําสุตตะให้เสื่อมสูญไป เพราะความเป็นพระหูสูตรนั้นเป็นรากเงาของพรหมจรรย์ฉะนั้นจึงควรเป็นผู้ทรงธรรมบุคคลรู้เบื้องต้นและเบื้องปลายภาษิทรู้อาจแห่งพาสิทธิฉลาดในนิรุตติและในบทเรียนทําให้รู้ให้เข้าใจดีและพิจารณาเนื้อความเขาก็ทำความพอใจด้วยความอดทนพยายามพิจารณาไตรตรองถึงนามรูปนั้น เริ่มตั้งความเพียรในเวลาที่ควรประคองจิตเป็นต้นจึงจะพึงเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีในภายในได้ผู้หวังความรู้แจ้งธรรมพึงคบหาท่านผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมมีปัญญาเป็นพุทธสาวกเช่นนั้นบุคคลผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมรักษาคลังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้เป็นพหูสูตรเช่นนั้นเป็นดวงตา และเป็นปูชนียบุคคลของชาวโลกทั้งมวลภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมพิจารณาใครครวนถึงธรรมระลึกถึงธรรมอยู่ก็ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัตธรรมภิกษุผู้หนักในความตรณีกายเมื่อกายและชีวิตเสื่อมไปอยู่เธอไม่ขยันหมั่นเพียรยังติดความสุขทางกายจะมีความอยู่พาสุขด้วยความเป็นสมณะได้แต่ที่ไหน ทิศ ท, ทุกทิศไม่ปรากฏทำทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่เราเมื่อพระธรรมเสนาบดีซึ่งเป็นกัลยาณมิตรนิพพานเสียแล้วโลกนี้ทั้งหมดปรากฏเหมือนกับว่ามืดมิดกัลยาณมิตรเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้ปราศจากสหายผู้มีพระศาสดาล่วงลับเหมือนกายกตาสติมิตรเก่าก็ล่วงลับไปจิตของเราไม่ยอมสมาคมกับมิตรใหม่ วันนี้เรานั้นขอเข้าฌานอยู่คนเดียวเหมือนกับนกเข้าอยู่ประจำรังในฤดูฝนพระศาสดาได้ตรัสกับพระอนนทเทระด้วยพระพุทธภาษิตว่าเธออย่าได้ห้ามชนหมู่มากผู้เป็นชาวต่างรัฐต่างถิน่นที่พากันมาไม่ทันพบเราชนเหล่านั้นซึ่งมุ่งฟังธรรมจงเข้าพบเราได้นี้แหละเป็นเวลาเข้าพบเรา พระอนนทเทระได้ฟังพุทธธรรรัตนั้นแล้วได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าพระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงประทานพระโวโรกาสไม่ทรงห้ามชนหมู่มากซึ่งเป็นชาวต่างรัฐต่างถิน่นที่พากันมาไม่ทันเข้าเฝ้าเมื่อเราเป็นเซขาบุคคลอยู่ย5ห้าปีกามสัญญาไม่ได้เกิดขึ้นท่านจงมองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงาม เมื่อเราเป็นเสขารุคคลอยู่25ปีโทสะสัญญาไม่ได้เกิดขึ้นท่านจงมองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงามเราได้อุปถากพระผู้มีพระภาคด้วยเมตตากายกรรมดุจพระชายาที่ติดตามพระองค์เป็นเวลา25ปีเราได้อุปถากพระผู้มีพระภาคด้วยเมตตาวจีกรรมดุจพระชายาที่ติดตามพระองค์เป็นเวลา25ปี เราได้อุปถาพระผู้มีพระภาคด้วยเมตตามโนกรรมดุวพระฉายาที่ติดตามพระองค์เป็นเวลา25หปีเมื่อพระพุทธองค์เสด็จจงกรมเราได้จงกรมตามเบื้องพระปริสดางของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสแสดงธรรมอยู่ยานได้เกิดขึ้นแก่เราเรายังเป็นเสขะมีกิจที่ต้องทำยังไม่ได้บรรลุอรหัตแต่พระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์เราปรากฏว่า ปรินิพานเสียแล้วเวลานั้นเราได้มีความสะพรึงกลัวและขนพองสยองกล่าวในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระคุณอย่างประเสริฐโดยอาการทั้งปวงเสด็จดับคันทัปรินิพานแล้วพระธรรมสังคาหาก า, าจารย์ทั้งหลายเมื่อจะสรรเสริญพระอานนเทระจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าพระอนนเทระเป็นพระหูสูตรทรงธรรม รักษาคลังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นดวงตาของชาวโลกทั้งมวลปรินิพานเสียแล้วพระอานนเทเถระเป็นพระหูสูตรทรงธรรมรักษาคลังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นดวงตาของชาวโลกทั้งมวลกําจัดความมืดในโลกที่มืดมนได้พระอานนเทเถระมีคติมีสติมีทิฏฐิ สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่และทรงพระสัตว์ทำไว้ได้เป็นบอ่อเกิดรัตนะพระอนนทเทระก่อนจะปรินิพพานได้กล่าวภาษิสุดท้ายว่าเราได้ปรนิบาตพระศาสดาได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปลงภาระที่หนักเสียได้บัดนี้ไม่มีการเกิดอีกติ้งสนิบาทตจบ รวมเรื่องพระเทระที่มีในนิบาตนี้คือ 1. พระปุษสะเทระ 2. พระสารีบุตรเทระ 3. พระอนนทเทระในติงสนิบาตนี้มีพระเทระที่ระบุไว้สมรูปและมีร0อยหภาษิตชั้นนี้แล